สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทิยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่19บข้อ2ี่จนถึงข้อที่24โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจงฟังคำแนะนำและรับคำเตือนสติเพื่อเจ้าจะได้ปัญญาสำหรับอนาคตในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมากแต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละจะดารงอยู่ได้ สิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความจงรักภักดีและคนยากจนยังดีกว่าคนมุสาความยำเกรงพระเจ้านำไปสู่ชีวิตและบุคคลผู้ได้รับแล้วก็หยุดด้วยความพอใจจะไม่มีอันตรายใดมาเยี่ยมกรายเขาคนเกลียดค้านฝังมือของตัวไว้ในชามและไม่ยอมแม้แต่จะนำอาหารมาสู่ปากของตน พี่น้องครับวันนี้สุภาษิตและเป็นพระวจนะของพระเจ้าเริ่มต้นก็คือเรื่องของการฟังครับการฟังเป็นการฟังที่มีพลังครับเป็นการฟังที่แอคทีฟเพราะว่าหลายลคนนั้นเข้าใจว่าการฟังนั้นแพสซีฟแพสซีฟก็คือต้องนิงน่งๆเงียบเียบและถูกกระทาแต่ไม่ใช่ครับ การฟังเนี่ยถือว่าเป็นแอคทีฟมากเพราะเนื่องจากว่าการฟังนั้นสามารถกลายเป็นสิ่งที่มีพลังสร้างความเข้าใจสร้างปัญญานำการเปลี่ยนแปลงเพราะคำแนะนำที่ดีและคำเตือนสติที่มาจากความหวังดีและความจริงใจล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ครับเพื่อที่เราจะฉลาดเพื่อที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและการฟังนั้น เป็นเครื่องมือหรือเป็นสะพานที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตในอนาคตของเราได้พี่น้องครับบางครั้งนั้นการฟังบางสิ่งบางอย่างคำเตือนสติอาจจะไม่เรื่อนหูนักแต่สำหรับผู้ที่เปิดใจฟังคำแนะนำครับคำเตือนสติจะได้รับปัญญาจะให้ปัญญาและทำให้เราเป็นคนฉลาดประสบความสาเร็จในอนาคตได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเตรียมตัวรับ ผลที่ตามมาเมื่อเราไม่ฟังและเตรียมตัวรับความชื่นชมยินดีที่ตามมาเมื่อเรื่องราวต่างๆสิ้นสุดลงด้วยการฟังที่ดีคำว่าอนาคตนั้นก็อาจจะหมายรวมถึงวินาทีสุดท้ายหรือวาระสุดท้ายของชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เป็นลูกเราจะต้องรับฟังคําแนะนําการตีสอนคําเตือนสติจากปิดาแารดาครับ การที่ลูกจะประสบความสําเร็จนั้นไม่เพียงแต่ต้องมีบิดามารดาที่พร่ำสอนมารดาที่คอยแสดงความรักเท่านั้นแต่ลูกเองนั้นจะต้องยอมรับคําแนะนําการตือนสติและการตีสอนจากบิดามารดาของเขาอีกด้วยนี่คือปบมือให้ดังต้องปบทั้งสองข้างคุณพ่อคุณแม่ก็ทําหน้าที่ของตนบุตรเองนั้นก็จงเชื่อฟังบิดามารดาของตน พี่น้องครับคริสเตียนเราเองนั้นก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาของเราเราจะต้องมีวิญญาณแห่งความถ่อมใจซึ่งสามารถรับคาสอนได้ไม่ว่าเราจะมีอายุมากแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์สูงขนาดไหนก็ตามหรือไม่หรือไม่ว่าเราจะมีความสำเร็จประสบความสำเร็จสูงได้มีเกียรติยศสูงมากเท่ารดก็ตามเพราะว่าการฟังนี่แหละครับนไปสู่ความเชื่อการเชื่อฟัง และสิ่งนี้จะนำไปสู่การเติบโตมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงรับชีวิตแห่งสติปัญญาผลลัพธ์ก็คือเขาจะเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของมนุษย์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็อ21อครับก็อ21บอกว่าคนเรานั้นสามารถวางแผนและกำหนดวิธีการสำหรับชีวิตของตนเองได้แต่พระเจ้าเท่านั้น ที่ทรงพลานุภาพมีฤทธิเดชในการควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามพระประสงค์และแผนการของพระองค์และแม้ว่าดูเหมือนบางครั้งนั้นจะไม่เป็นไปตามแผนการของเราก็ตามพี่น้องครับเราต้องยอมรับในสิทธิอำนาจอำนาจอธิปไตยสูงสุดของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่รับรองให้แผนนั้นเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นเจ้านายครับเวลาที่ลูกน้องทาแผน ก็ต้องเสนอให้เบื้องบนอนุมัติพระเจ้าเป็นผู้อนุมัติโปรงทรงเป็นผู้ที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดกำหนดผลลัพธ์ต่างๆได้นี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนจะต้องยอมรับเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าจะต้องเรียนรู้ครับต่อไปข้อ22สิง่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์ก็คือความจงรักภักดีและคนยากจนก็ยังดีกว่าคนมุสา พี่น้องครับความจงรักภักดีเป็นคําเดียวกันในภาษาฮีบรูเคเซตซึ่งแปลว่าความเมตตากรุณาหรือความรักมั่นคงนั่นเองความเมตตากรุณาหรือความรักมั่นคงกับความจงรักภักดีนั่นแหละครับคือคุณสมบัติของผู้ที่จะประสบความสําเร็จเป็นคุณสมบัติของการที่คนเรานั้น จะได้รับความรักมั่นคงจากพระเจ้าเขาจงรักภักดีในพระเจ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าความจงรักภักดีนี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่าปรารถนายิ่งนักเป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาเพิ่มพูนเพิ่มเติมในตัวของเราให้มากที่สุดความถูกต้องชอบธรรมที่มาแรงจูงใจ สิ่งต่างเหล่านี้ครับก็คือความจงรักภักดีเป็นความรักมั่นคงที่เราจะมีกับพระเจ้าครับเป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนาจะได้รับจากคนอื่นเช่นเดียวกันแต่ในทางกลับกันครับคำว่ามุษาคำมุษานั้นเป็นเครื่องหมายแห่งการขาดความจงรักภักดีขาดความรักมั่นคงพี่น้องครับเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมาก ให้เป็นคนยากจนยังดีกว่าเป็นคนที่มุสาให้เป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยอยู่อย่างสมถะได้แต่ขาดความซื่อสัตย์ขาดความจงรักภักดีขาดความรักมั่นคงคนพวกนี้ครับเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีครับการขาดความจงรักภักดีการขาดความรักมั่นคงเป็นคนที่ไร้ความศักดิ์ศรี เพราะฉะนั้นคนยากจนที่มีศักดิ์ศรีคนยากจนที่มีความจงรักภักดีคนยากจนที่มีความรักมั่นคงคนยากจนที่มีความซื่อสัตย์ก็น่าปรารถนามากกว่ า, ก า, า, าวการเป็นคนร่ํารวยการเป็นคนร่ํารวยที่เกิดจากการโกหกหลอกลวงการเป็นคนร่ํารวยที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นการเป็นคนร่ํารวยที่เกิดจากการโกง ก, ก, ก, การโกหกพี่น้องครับเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาที่เราจะอยู่ อย่างสมัะเราจะแร้นแค้นยากจนแต่ไม่โกหกไม่โกงไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นข้อ23ครับได้บอกว่าความเกรงกลัวพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้านำไปสู่ชีวิตและใครก็ตามที่ได้รับแล้วก็จะนอนหลับด้วยความพึงพอใจจะไม่มีอันตรายใดๆมาเยี่ยมเขาบุคคลที่เกรงกลัวพระเจ้าครับเขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์เขาจะมีความมั่นคงปลอดภัย และมีสันติภาพทั้งกับตนเองและผู้อื่นพี่น้องครับเป็นประโยชน์ทางจิตใจและร่างกายเมื่อมีการย่ำเกรงนพระเจ้าเพราะว่าเขานั้นได้พักสงบและหลับได้หลับได้เพราะความพอใจเพราะความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย security ครับในขณะเดียวกันจิตใจหรือจิตสำนึกที่ย่ำแย่และความกลัวก็จะทำให้คนนอนไม่หลับเขาน อ, นอนไม่หลับเพราะว่าเขาห่วงเขาเครียด เขากังวลพี่น้องครับอย่าลืมนะครับจะไม่มีอันตรายใดๆมาเยี่ยมไกลเขาภาษาอังกฤษใช้คาว่า safe from harm ก็คือเขาจะปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายและที่สำคัญนะครับในภาษาอังกฤษฉบับขยายความถ้าหาเราเห็นว่า the fear of the Lord leads to life so that one may sleep satisfied untouched บายอีว e ิวเขาจะปลอดภัยมารายจะไม่แตะต้องเขาพี่น้องครับสำหรับคนที่เกรงกลัวพระเจ้ามารายไม่กล้าแตะต้องเขาเข้อย4บสี่ครับข้อสุดท้ายในวันนี้คนเกียรติาันฝังมือของตัวไว้ในชามและไม่ยอมแม้แต่จะนำอาหารมาสู่ปากของตน และนี้เป็นภาพที่น่าตลกเพราะว่าคนเกยียรติ้านนั้นเกยียรติ้านถึงขนาดหนักครับขนาดที่ว่าไม่สามารถยกช้อนตักอาหารเข้าปากได้เป็นไปได้ครับว่าอากาศเย็นคนที่ขี้เกยียจเขาจะรู้สึกเย็นมือจึงอยากเอากระเป๋าเอามือซุกไว้ในกระเป๋าหรือใต้ผ้าหม่มมากกว่าที่จะยกมือตัวเองออกชักมือตัวเองออกเพื่อตักข้าวใส่ปากชักมือตัวเองออกที่จะทํางาน ในตรงนี้ครับเราจะต้องรู้กันว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนเกียรติคานั้นเขาจะต้องแบกรับผลลัพธ์ต่างๆด้วยตัวเองในที่น่าเสียใจมากกว่านั้นก็คือว่าชีวิตของเขานั้นจะส่งผลต่องานของเขาและครอบครัวของเขาลูกหลานทุกคนของเขาเช่นเดียวกันครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราพ้นจากความเกียรตคาร ขอพระเจ้าช่วยเราให้เรายอมเกรงพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราที่จะยอมรับพระประสงค์ของพระองค์ที่ไม่ผิดพลาดขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเป็นคนที่จงรักภักดีและมีความเมตตากราุณามีความรักมั่นคงและขอพระเจ้าช่วยเราให้เราที่จะเป็นผู้ฟังครับเป็นผู้ฟังที่แอคทีฟเป็นผู้ฟังที่นําการเปลี่ยนแปลงอาเมน